บทภาชณีนิสักคียปาจิตตี468จีวันเกินกำหนด10วันภิกษุสำคัญว่าเกินกำหนดแล้วต้องอบัตินิสักคียาปาจิตตีจีวันเกินกำหนด10วันภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตินิสักคียปาจิตตีจีวันเกินกำหนด10วันภิกษุสำคัญว่ายังไม่เกินกำหนดต้องอบัตินิสักคียปาจิตตีจีวันยังไม่ได้อธิษฐาน ภิกษุสำคัญว่าอธิษฐานแล้วต้องอบัตตินิสักียปาจิตตีจีวรยังไม่ได้วิกัพภิกษุสําคัญว่าวิกัพแล้วต้องอบัตตินิสักียปาจิตตีจีวรยังไม่ได้สละภิกษุสําคัญว่าสละแล้วต้องอบัตตินิสักียปาจิตตีจีวรยังไม่สูญหายภิกษุสําคัญว่าสูญหายแล้วต้องอบัตตินิสักียะปาจิตตีจีวรยังไม่ฉิบหายภิกษุสําคัญว่าฉิบหายแล้ว ต้องอบัตินิสกียาปาจิตตีจีวันยังไม่ถูกไฟไหม้ภิกษุสําคัญว่าถูกไฟไหม้แล้วต้องอบัตินิสกียาปาจิตตีจีวันที่ยังไม่ถูกโจรชิงเอาไปภิกสูตสาคัญว่าถูกโจรชิงเอาไปแล้วต้องอบัตนิสักียาปาจิตตีติกาทุกกฏจีวันที่เป็นนิสกีย์พิกษุยังไม่ได้สละใช้สอยต้องอบัติทุกกฏ จีวอยังไม่เกินกำหนด10วันพิกษุตสำคัญว่าเกินกำหนดแล้วใช้สอยต้องอบัตทุกกฏจีวอยังไม่เกินกำหนด10วันพิกสุไม่แน่นใจใช้สอยต้องอบัตทุกกฏจีวอยังไม่เกินกำหนด10วันพิกษุตสำคัญว่ายัางไม่เกินกำหนดไม่ต้องอบัต